สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาย่อกรุณนชอบเล่าคลิปนี้กลับมาในหมวดของเรื่องเล่าจากทางบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ท่านสมาชิกได้ส่งเรื่องราวมากมายมาให้ผมได้ถ่ายทอดมีทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวมีทั้งผีและก็ไม่ผีแปลกเรื่องสั้นผมก็จะจัดมารวมกันเรื่องไหนยาวผมก็จะแยกเป็นเดี่ยวไปเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้มาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีกันต่อ น, นะครับ โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณภูมินินท่านสมาชิกของเราเรื่องเรามีอยู่ว่าสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแฟนผมในปี2559แฟนผมได้ไปแข่งทักษะภาษาอังกฤษที่โคราชอําเภอปากช่องโดยออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่โคราชก็คือมีญาติของแฟนผมอยู่ด้วยก็คือป้าและวันนั้นเมื่อเดินทางไปถึงก็ปรากฏว่าโรงแรมเต็มหมด จึงได้มีการตระเวนหาห้องพักและหาไปหามาก็ได้พบกับโรงแรมหนึ่งระดับ3ดาวได้โรงแรมนี้มี5ชั้นและแฟนผมก็ได้ห้องพักที่อยู่ชั้น3หมายเลขห้อง304อ้อผมลืมบอกไปครับว่าแฟนผมไปกับเพื่อนอีกสองคนเป็นหญิง1แล้วก็ประเภท2อีกหนึ่งอาจารย์ที่ตามไปดูแลอีก1ท่านอาจารย์กับพวกแฟนของผมนั้นจะแยกกันนอนคนละห้อง แฟนผมนอนห้อง304แต่ของอาจารย์นั้นจําไม่ได้แต่ก็อยู่ในชั้นเดียวกันนั่นแหละบรรยากาศในโรงแรมมันดูปแปลกวังเวงพิกลที่อื่นที่หามาเต็มแต่ที่นี่กลับมีห้องว่างให้เช่าและก็ดูเหมือนว่ามันจะเยอะห้องซะด้วยที่ว่างอาจารย์ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่เ ง, เงียบๆมีเวลาทบทวนวิชาไม่มีใครมารบกวนเวลาฝึกซ้อมด้วยพวกแฟนผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันพอขึ้นไปถึงห้อง ก็จัดข้าวของเข้าที่ให้เรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าและก็ลงมาหาข้าวกินกันกันกบเพื่อนไม่อิ่มท้องกันดีแล้วก็กลับขึ้นห้องไปซอ้อมคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มป้าของแฟนผมก็มาแกก็มาเยี่ยมหลานเอาอาหารเอาขนมมาให้และป้าก็ถามแฟนผมว่าไม่มีโรงแรมอื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรื อ, อลูกที่จะพักแฟนผมก็ตอบป้าว่าก็มันเต็มหมดแล้วก็เหลือแต่ที่นี่แหละ ป้าแกก็บอกว่าก่อนนอนกันนะ่ะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะก็นั่งคุยสารทุกสุขดิบ ไ, ได้สักพักป้าก็ขอตัวกลับแฟนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็กลับเข้าห้องนอนกับเพื่อนก่อนนอนคืนนั้นแฟนก็ยังโทรมาหาผมคุยกันตามปกติแฟนผมนั้นเป็นคนที่กลัวผีเอามากๆและเมื่อคุยกันเสร็จก็วางหูแฟนผมก็นอนก็เพราะว่าเป็นคนที่ขี้กลัวจึงได้เลือกนอนกลางจากที่แฟนผมได้เล่าให้ฟัง เรื่องมันมีอยู่ว่าคืนนั้นระหว่างที่นอนกึ่งหลับกึ่งตืน่นสศยตาเธอรีของแฟนผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเตียงแฟนผมก็นึกว่าเพื่อนไปเข้าห้องน้ําไม่ได้สนใจแล้วก็นอนต่อระหว่างที่กําลังจะหลับตาสศยตาที่มองขึ้นไปบนฟ้าเพดานก็ได้เห็นกับภาพภาพหนึ่งเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งหน้าขาวผมยาวมากเรียกว่ายาวจริงๆดวงตาสีขาวไม่มีตาดํากําลังเกาะ อ, อยู่บนฟ้า แล้วก็จ้องมองลงมาที่เธอเธอรีบหันหน้าหลบแล้วต่แคงไปหาเพื่อนทันทีพยายามเอามือไปส ก, กิดเพื่อนให้ตื่นส ก, กิดเบๆไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือบขึ้นไปมองดูที่ฟ้าเพดานอีกครั้งโล่งใจไม่มีแล้วก็เลยพลิกตัวกลับมานอนหงายตามเดิมแต่แล้วจูๆ่ๆตุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็ตกลงมาอยู่ตรงหน้าของแฟนผมเธอตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่แหกปากโวยวายปลุกเพื่อนให้ตื่นทั้งสองคนตื่นมาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไร แต่แฟนผมเธอไม่กล้าบอกเพราะว่ามันน่ากลัวมากได้แต่บอกเพื่อนว่าขอเปิดไฟนอนได้ไหมสุดท้ายก็ได้เปิดไฟนอนกันจนเช้าพอเช้ามาเธอก็รีบอาบน้ำเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็รีบไปหาอาจารย์ทันทีแล้วก็เล่าเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เองก็เจอที่อาจารย์เจอก็คือห้อยหัวลงมาเลยเป็นผู้หญิงอาจารย์ก็กลัวแต่ก็มีสติเลยแผ่เมตตาให้ไป วิญญาณดวงนั้นจึงได้หายไปแล้วเธอก็ได้คุยให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าไม่เจอนะแต่ได้เจอแค่ในฝันและแฟนผมจึงได้โทรไปหาป้าของเธอป้าก็บอกว่าโรงแรมนี้คนในปากช่องรู้จักกันดีถือว่าที่นี่ความเหี้ยนมาเป็นอันดับหนึ่งมีข่าวข่ากันเยอะทั้งหญิงและชายเป็นที่สิงสถิตของหลายดวงวิญญาณผมได้ฟังเรื่องราวจากแฟนก็เลยไปถามเพื่อนดูเพื่อนผมที่โคราชก็บอกแบบนี้เหมือนกัน แฟนผมก็เลยได้ไปทาบุญตักบาตรแล้วก็อาบน้ำมนต์ภาพที่เธอได้เห็นนั้นมันติดตาเป็นเดือนและนี่ก็คือเรื่องราวจากคุณภูมินแม้ยังจะถามผมด้วยนะว่าสนใจไปพักไหมบอกชื่อโรงแรมซะพร้อมสับเลยแถมยังบอกด้วยว่าห้องไหนก็เจอเหมือนกันขอบายครับเรื่องนี้คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ป๋องไปทวนนะครับงั้นเอาอีกสักเรื่องดีกว่าเรื่องนี้มาจากคุณพิศณุ ถ้าผมอ่านชื่อผิดไปต้องของอาภัยนะครับเรื่องเราก็มีอยู่ว่าเมื่อตอนที่ผมยังเด็กอายุประมาณ 13-14 ปีผมได้ไปอยู่กับพ่อของผมที่เขื่อนระบำจังหวัดกุทัยธานีพ่อของผมมีอาชีพหาปลาเราสองพ่อลูกก็ใช้ชีวิตตามปกติของคนชนบททั่วไปเวลาที่พ่อออกไปหาปลาผมก็ติดตามไปด้วยเป็นประจำและอยู่มาวันหนึ่งผมก็เกิดอาการไม่สบายขึ้นวันนั้นผมก็เลยไม่ได้ออกไปไหนกับพ่อ ก็เลยต้องนอนเฝ้ากระท่อมอยู่คนเดียวบริเวณใกล้เคียงกับกระท่อมที่ผมได้พักนั้นก็จะแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ระยะห่างกันแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากและคืนที่ผมป่วยนั้นความทรงจำของผมก็จำได้แม่นยำในเวลา23นาฬิกาผมมีอาการรู้สึกปวดหัวมากจนนอนไม่หลับหูผมก็แว่วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังคลานหรือว่าเดินอยู่นี่แหละเสียงนั้นมันดังอยู่บริเวณด้านนอกของกระท่อม ในใจก็คิดว่าพ่อควรจะกลับมาแล้วก็เลยได้แต่นอนฟังแต่นอนฟังอยู่นานพ่อก็ยังไม่เข้ามาสักทีจนเวลาน่าจะผ่านไปประมาณ30นาทีผมจึงได้ตัดสินใจฉนเฉงเออทอดสายตามองออกไปทางหน้าต่างเฮ้ย hey, สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของผมนั้นก็คือผมเห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งกําลังคลานเล่นอยู่ที่ลานหน้ากระท่อมผมรู้สึก ง, งงและก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะมีเด็กที่ไหนจะมาเล่นในเวลานี้ บรรยากาศที่วังเวงและเยือกเย็นอยู่รอบกายมันหนาวสซ่านไปถึงคู่หัวใจขนหัวจะลุกรู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะไม่หายใจด้วยซ้ำกับภาพที่เห็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติผมรีบกลับมานอนแล้วก็คลุมโปงตัวสั่นหนาวแต่เหงื่อแตกไปทั้งตัวก็ตอนนั้นมันทำได้แค่เพียงเท่านั้นแล้วไอเสียงคลานนั้นมันก็ยังดังอยู่ผมก็ได้แต่นอนฟัง และมันก็เหมือนแกล้งไอเสียงคลานนั้นมันก็มาคลานกับตรงจุดที่ผมได้นอนอยู่มีเพียงแค่ฝากระท่อมเท่านั้นที่ก้านเอาไว้นาทีนั้นเวลานั้นผมลุ้นจนตัวโกงกลัวว่ามันจะเข้ามาใจมันจะขาดซะให้ได้ต้องนอนลุ้นแล้วก็ฟังเสียงคลานนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไหร่และแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีคนกําลังเดินมาที่หน้ากระท่อมผมผมรีบเปิดผ้าห่มออกดูก็ได้เห็นแสงไฟฉายซึ่งผมจําได้ว่ามันเป็นแสงไฟฉายของพ่อผมโอ้แสงแห่งสวรรค์มีจริง ผมรีบลุกขึ้นไปหาพ่อทันทีไปแบบตัวสั้นๆนี่แหละพ่อเห็นผมมีอาการปแปลกๆจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังแต่พ่อผมฟังแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อและก็บอกให้ผมกลับไปนอนซะและจากคืนนั้นที่ผมได้นอนหลับสนิทเพราะว่าพ่ออยู่ด้วยจนหายป่วยและเวลาผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็ถึงเวลาที่ผมต้องเดินทางกลับเพื่อไปเรียนหนังสือระหว่างทางที่เราได้เดินทางกลับกันนั้นพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเด็กคนที่ผมเห็นนั้นเป็นลูกชายของเพื่อนบ้าน ที่เสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำตายมีคนก็เห็นกันบ่อยแต่พ่อเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมได้เจอมากับตัวเองครับปัจจุบันตอนนี้ผมอายุ37ปีครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะนานไปหน่อยแต่ผมก็จำได้ไม่เคยลืมครับเอ๊ะมันก็ยังดูว่าจะสั้นไปอีกนะครับเรื่องนี้คุณบูนชัยศีท่านสมาชิกของเราได้กรุณาแชร์ลิงก์รีวิวเชียงใหม่ ไม้ผมได้ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวจากคุณน็อตนามส ม, มุตชื่อว่าดงผีป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาลองฟังกันดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกับเพื่อนๆได้ไปพบเจอมาเมื่อตอนเรียนปีสองครับในตอนนั้นพวกผมมีงานถ่ายหนังสั้นกันมันเป็นงานกลุ่มที่เราต้องร่วมกันทำส่งอาจารย์และกลุ่มของพวกเราก็ได้ตกลงใจกันว่าจะทาหนังผีซึ่งบรรยากาศของหนังผีของเราที่พวกเราต้องการก็คือป่า และแล้วพวกเราจรึงได้สอดสวงหาโลเคชันที่มันเหมาะกับเนื้อเรื่องที่เราต้องการเราจรึงได้เคิลสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนะักนั่นก็คือบุญดอยแห่งหนึ่งชื่อดังของภาคเหนือหลังจากที่ได้เตรียมตัวพร้อมกับอุปกรณ์แล้วเราจรึงได้ออกเดินทางไปยังสถานที่นั้นกันเมื่อมาถึงพวกเราก็ได้ทําการจุดธูปขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเป็นการขออนุญาตสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าเราจะเข้ามาทํางานกัน จากนั้นทีมงานเราจึงได้ลงมือถ่ายทํากันตลอดวันการถ่ายทําของพวกเราถือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆก็ถ่ายทํากันไปเรื่อยๆตามคิวจนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มจะรับทิวเขาจนเวลาพรบค่ําหรือหัวค่ําบรรยากาศรอบๆพวกเราก็เริ่มมืดลงแสงสว่างที่พอจะหลงเหลืออยู่ก็คือแสงสว่างจากกองไฟที่เราก่อขึ้นในบริเวณที่ถ่ายทําฉากนี้เป็นฉากที่ต้องถ่ายทําเป็นการตั้งแคมป์ โดยที่ทุกคนในกองจะต้องมานั่งอยู่ทางฝั่งขวาของกองลักษณะคล้ายๆกับอัธจัรยร์ส่วนตัวผมนั้นตำแหน่งนั่งอยู่ที่ริมสุดและระหว่างที่นั่งอยู่นั้นผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมาจากที่มืดความรู้สึกที่ได้รับเหมือนกับว่าเป็นการเพ่งจ้องอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนั้นมันกดดันจนผมเริ่มจะอึดอัดทําให้ผมต้องตัดสินใจเริ่มย้ายตัวเองไปนั่งตรงกลางถ้ำกลางเพื่อ น, นแต่ถึงแม้ว่าจะย้ายที่นั่งมาแล้ว ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่จบพวกเรามองหน้ากันจากสายตาทุกคนในกองรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ได้มีแค่พวกเราอยู่ที่ตรงนั้นผมมั่นใจว่าหูของทุกคนได้ยินเสียงเดียวกับผมเสียงนั้นก็คือเสียงของคนเดินไปมารอบๆกองตรงพื้นที่ตรงนั้นก็อย่างที่ว่ามันเป็นป่ามันมีเสียงของใบไม้แห้งที่โดนเหยียบเสียงเหยียบกรบกแกรบชัดเจนมากทุกคนได้แต่งเงียบ ไม่มีใครพูดถึงเสียงที่ได้ยินเสียงนั้นพวกเราตั้งสติและตั้งใจโฟกัสตแต่เพียงเรื่องงานเท่านั้นและอีกอย่างก็คงไม่มีใครอยากให้คนในกองแตกตื่นกันเราจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทำกันต่อไปเรื่อยๆและก็เนื่องจากการถ่ายทําที่ใช้เวลานานผมจึงรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาจึงได้ชวนเพื่อนสองคนให้ไปด้วยกันห้องน้ำนั้นก็อยู่ห่างจากกองถ่ายพอสมควรหลังจากที่ได้ทาธุระที่ห้องน้าเสร็จ ระหว่างที่ผมเดินกลับมากับเพื่อนอีกสองคนนั้นมองลงมาก็ยังมีการถ่ายทํำกันอยู่และสายตาของผมก็เกิดไปสังเกตเห็นบริเวณหลังเต็นมันมีการขยับเขยื่นเหมือนกำลังมีคนโบกมือให้พวกผม3ามคนพวกผม3มคนก็เดินลงไปในสมองผมคิดว่ามันกําลังเล่นอะไรกันวะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไปไกลมากกว่านั้นเมื่อพากันลงไปถึงที่กองถ่ายและการถ่ายทําก็ยังคงดํำเนินต่อจนไปถึงฉากสําคัญของเรื่องที่ต้องมีการเปิดเต็น ผู้กำกับของเราเลือกที่จะเป็นคนถือกล้องเพื่อที่จะได้เลือกมุมถ่ายได้สะดวกตอนนั้นทุกคนในกองสังเกตเห็นว่าผู้กำกับมีอาการแปลกๆสิ่งที่ว่าแปลกก็คือประเดี๋ยวก็สังส่งคัดสั่งคัดจนผิดสังเกตแต่พวกเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมีสมาธิกับการทำงานการถ่ายทำก็ดำเนินมาถึงฉากสุดท้ายของซีนในป่าเป็นฉากที่ต้องเคลื่อนกล้องถ่ายตามตัวนักแสดงที่เดินอยู่ในป่า ผมทำหน้าที่ถือรีเฟล็กต์รองแสงและในขณะที่ถ่ายทำนั้นแสงไฟจากกองถ่ายก็ได้ไปกระทบกับพุ่มไม้ใหญ่พุ่มหนึ่งทําให้สายตาของผมนั้นบังเอิญไปสังเกตเห็นว่าพุ่มไม้นั้นไม่ได้เป็นพุ่มพุ่มไม้ที่ว่ามีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของผู้หญิงผมสั้นขนาดใหญ่กำลังจ้องมาตรงนี้ที่เรากําลังถ่ายทํากันอยู่ผมอึ้งและก็ขนลุกกับสิ่งที่เห็นและก็เลือกที่จะปิดปากเงียบไม่บอกใครคิดปลอบใจตัวเองว่าคงจะเหนื่อยและก็ตาฝาดไปเท่านั้น และก็ไม่อยากให้ทุกคนในกองต้องตกใจกันในที่สุดเสียงผู้กำกับสั่งปิดกล้องก็ดังขึ้นทุกคนดีใจรีบเก็บเข้าของพอเก็บของขึ้นรถกันเสร็จทุกคนก็ขับรถออกจากตรงนั้นซึ่งรถของผมนั้นเป็นคันสุดท้ายที่ขับออกไปบนรถก็จะมีผมและเพื่อนอีกสองคนโดยผมนั้นจับสังเกตได้ว่าเพื่อนอีกสองคนมีอาการที่แปลกไปแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนกลุ่มเราลงมาถึงมหาวิทยายลัย หลงจากรถแล้วก็นั่งคุยกันที่หน้าคณะทั้งกองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าอะไรเกิดขึ้นข้างบนเพื่อนผมคนหนึ่งจึงได้เล่าให้ฟังว่ากูได้ยินเสียงหัวเราะทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กๆรวมกันตั้งแต่ตอนที่เราขับรถกันออกมาระยะหนึ่งจากนั้นเสียงเหล่านั้นมันก็หายไปไอ ต, ตอนที่มันดังนั้นกูก็พยายามตั้งใจฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรและกูก็มั่นใจว่ามันเป็นเสียงหัวเราะแน่ๆถึงเวลานี้ทุกคนได้ไปคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นข้างบน จึงได้ข้อสรุปกันว่าทุกคนในกองเรานั้นรู้ได้เจอกับสิ่งที่ลึกลับเหมือนกันโดยในกลุ่มของเพื่อนผมคนที่มีเซนส์สัมผัสได้มากกว่าคนอื่นบอกว่าเห็นคนมายืนมองตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่ที่ไม่ได้บอกใครก็เพราะกลัวว่าจะทําให้ทุกคนตกใจกันส่วนตัวผู้กํากับที่ต้องสังคาัดหลายรอบตอนที่ถ่ายฉากเต็นต์ก็เป็นเพราะมันลุกไม่ขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างมานั่งทับตัวไว้แต่ก็ไม่กล้าบอกให้ใครช่วยก็ได้เหตุผลเดียวกันก็คือ ไม่อยากให้ทุกคนตกใจกลัวสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันหมดก็คือความรู้สึกว่าโดนจ้องมองมาจากสายตาหลายคู่จากรอบบริเวณที่เราถ่ายทํากันรวมทั้งเสียงคนเดินรอบกองถ่ายด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้ตัดสินใจขึ้นไปขอขมาอีกครั้งโดยเป็นในตอนกลางวันจัดเตรียมเครื่องเส้นไปด้วยเพื่อทําการขอ ข, อขมาหากว่าได้ทําอะไรที่ผิดพลาดลงไปพวกเราเดินทางไปถึงสถานที่ถ่ายทําเมื่อคืนทําการจัดวางเครื่องเส้นให้เรียบร้อย ตอนนั้นลมสงบมากจากนั้นก็ได้ทำการจุดทู่เพื่อปักขอขมาและทันทีที่จุดทูปเพื่อนคนที่มีเซนก็มีการแปลกๆอยู่ๆก็ร้องไห้และก็เดินออกไปจากกลุ่มเราพวกเราทุกคนก็งงและสงสัยแต่ก็ต้องทำการปักทูปต่อเพื่อ ข, อขอขมาให้เสร็จและทันทีที่ปักทูปอยู่ๆก็มีลมพัดเข้ามาประทัพวกเราลมนี้แปลกให้ความรู้สึกเย็นชวนให้ขนลุกมากพวกเราจึงได้มองหน้ากันและก็ตัดสินใจออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยเร็ว แล้ก็ได้ไปสอบถามพื้นที่ร้องไห้ว่าเกิดอะไรขึ้นคําตอบที่เราได้รับก็คือของที่พวกเราได้นํามาเส้นไหว้นั้นมันน้อยเกินไปเพราะภาพที่เขาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นได้มีการยื้อแย่งกันกินด้วยความหิวโหวยสภาพของสิ่งที่กําลังแย่งกันกินของนั้นมันน่ากลัวจนเขาอยู่ไม่ได้ด้วยความสงสัยและอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเคยเป็นอะไรมาก่อนพวกผมจึงได้ทําการสืบจากคนในพื้นที่และคนที่เคยทํางานอยู่ตรงนั้น จึงได้คำตอบว่าตรงนั้นณพื้นที่ที่เราไปถ่ายทำกันก็คือป่าช้าที่ฝังศพชาวเขาหากว่าอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมศพให้สังเกตดูจะมีต้นไม้ขึ้นคู่กันสองต้นเป็นสัญลักษณ์และจากที่พวกผมได้กลับไปย้อนดูในวิดีโอที่ได้ถ่ายทำกันมาจึงได้พบว่ามีต้นไม้คู่อยู่เต็มบริเวณที่พวกผมได้ไปถ่ายทำกันและนี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดเรื่องลึกลับเหล่านี้ขึ้นกับพวกผม นี่ก็คือเรื่องราวจากรีวิวเชียงใหม่ที่คุณบุญชัยศรีได้กรุณาแนะนำให้ผมมาถ่ายทอดครับสามเรื่องในคลิปเดียวก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับส่วนเรื่องหลวงปูส่สวงตรังกานูเดี๋ยวได้ฟังแน่ครับแต่ว่าล่องใครมาวันที่10บครับทุกเรื่องที่แนะนำมาผมจะพยายามจัดให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามและการให้กาลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆที่ผมได้จากทุกท่าน ก็ขอให้มันย้อนกลับไปหาทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับส่วนเรื่องคลิปของผมที่ทำออกมาผมก็พยายามทำตามคำแนะนำของทุกท่านนะครับว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรกันบ้างแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเรื่องทุกเรื่องจะทาให้ทุกคนนั้นถูกใจผมเข้าใจครับทุกคนมีความชอบความไม่ชอบแตกต่างกันเอาเป็นว่าผมเข้าใจโลกครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ